ต้องตีให้มีระเบียบนะตีละครังก็ดีตีแบบไม่มีระเบียบนะ้ำสักหน่อยละครั้งแตกอีกแล้วอย่าไปตีแรงเกินไปให้คำานึงถึงผมพอดีอย่าไปเอาอารมณ์ว่าทองเหลืองมันก็แตกได้เหมือนกันเพราะทองเหลืองเขาหลออเขาก็ผสมอะไรต่ออะไร เ, เพื่อให้มันเสียงดังเพราะขึ้นมาอย่างนี้นะเขาอาจจะผสมไม่เหล็กบ้างก็ได้แล้ว น, นี้ตีละครังลงปัดกวดตีหมวดสองเ ม, มงเมงเท่านี้เมงเมงสามจบ พอแล้วเพราะละครไปนี่มันก็ดังนะได้ยินทั่วกันไปแหละแต่ให้ตีพอดีอย่าแรงเกินไปแล้วก็อยาออ่าค่้อยเกินไปก็ต้องสำเนียกแหละทำอะไรอะตีขนาดไหนมันพอดีนี่แถวนี้มันก็ยังมาไม่เต็มเลยเนี่ยมันทำยังไงเนี่อืดอาดเหลือเกินเนี่ยฮะ อย่างนี้นําไปอยู่กับฝรั่งไม่ได้เลยอไม่ได้แล้วฝรั่งนี่เขาเคารพเวลาจริงๆนะตะวันนัดกันเวลานั้นแล้วพอได้ยินเสียงะระฆังแล้วมันก็เครียรตัวเลยเป็นงั้นเหตุนั้นเขาจึงเจริญรุง่งเรืองอ่ะอันนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆ พรพทธเจ้าสอน้วยเล่ากาลัญยุตาให้เป็นผู้รู้จักการเวลาอย่างนี้นะในอันประกอบขินนั้นนัวอย่างนี้มันแส ด, แดงความไม่เคารพต่ออุปชฌาอาจารย์ให้เข้าใจเมื่ออุปชฌาอาจารย์ได้ม า, านี่อา เราผู้เป็นลูกศิษย์มาโค้นแสดงความยินดีกระตือรือร้นแสดงความสามัคคีกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เคารพนับถืออุบาสกอาจารย์โดยแท้อันนี้เห็นอุบาสกอาจารย์มาสู่สำนักเรียกว่าทำเมินเฉย ไม่แสดงความกระตือรือร้นอะไรอย่างนี้จะไม่ถูกต้องนะอย่าไปทำกันในฐานะเราเป็นลูกศิษย์เราต้องแสดงความเคารพนอบน้อมต้องอแสดงอาการเรียกว่าพร้อมที่จะรับใช้รับสอยอยู่เสมออย่างนี้นะ บรรดาที่เป็นลุกทิดที่ดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อทำอย่างนั้นแล้วมันก็มีผลดีต่อตัวเองทำให้ได้เข้าใกล้เข้าชิดอุปชาอาจารย์แล้วจิตใจมันก็อ่อนน้อมถ้าไปทำเมินเฉยอยู่ ไปเข้าใกล้อุปชาอาจารย์อย่างนี้จิตใจมันก็เพลินมันก็เหลวไหลออกไปนอกนูนน่นอย่ยงนั้นเพราะฉะนั้นในวินัยนะพะพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบไว้ในระหว่างสัตว์ทิ้งวิหาริกกับอุปชาอาจารย์ต้องกระพิดต่อกันมันมีอยู่ก็ต้องรู้ ต้องรู้วิถีไหนต้องในระหว่างสัตทิงวิหาริยนี่มันต้องเอื้อเฟื้อต่ออุปชาอาจารย์อย่างนี้นะมันนะมันต้องแสดงความเอื้อเฟื้อต่ออุปชาอาจารย์รับใช้รับสอยอะไรต่ออะไรอืมมันจะไปคิดว่าเอื้อเฟื้อทำกันแล้วเราก็ไม่ต้องแล้ว คิดอย่างนี้แล้วมันไม่ถูกเลยอเราเราก็ทําบ้างทิศผู้ใดทําผู้นั้นเกาะเป็นบุญของผู้นั้นผู้นั้เป็นความดีของผู้นั้นผู้ไม่ทําก็ไม่เป็นความดีไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งทําแล้วเผื่อกันได้ของมันนี่ไม่แล้วไม่ได้เผื่อกันหรอก ก็ยงว่าเราบวชเข้ามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่อย่างอื่นเราไม่ได้อะไรนะในการบวชนี่เราไม่ใช่ว่าบวชมาเพื่อให้ได้เงินได้ทองเข้าของอะไรต้องอะไรหรือให้ได้เกียกรติยศชื่อเสียงอย่าไปมุ่งอย่างนั้นถ้ามุ่งอย่างนั้นไม่ถูกทางเลยของนักบวชนักบวชนี่เป็นแต่ว่าพวกนักเสียสลักนี่นะ เมื่อเป็นนักเสียสละแล้วการทำความดีอะไรไม่ต้องหวังผลตอบแทนจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ไม่ไม่คำนึงต้องฝึ ก, กจิตใจให้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะืมถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการบวชมันก็ไม่มีผลมากมแล้วก็เป็นการบวชมาเพื่อสะสมกองกิเลส เราจะไปอุ่นรายเดือดร้อนอะไรกับวัตถุภายนอกพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตบริขารแปดเท่านั้นนะเมื่อเรามีบริขารแปดแล้วก็ให้ทำความพอใจเอาเลยนะสบายใจเมื่อมีบริขารแปดแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรอนะ่ะน่ากวดนี่นะเสนาชนะก็มี อยู่มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้วอาหารบินทบาทก็มีพอประทงังชีวิตยอยู่แล้วอย่างนี้นะผ้าหนุง่งผ้าโฮมก็มีอืมแล้วแล้วเราจะไปเอาอะไรอีกอืมไม่ไม่เดืร้อนอะไรอะ่ะอืแต่บางแห่งเพื่อนเหน่งอดอยากมันก็อยู่กันได้อย่าง น, นี้แต่วัดเรานี่ไม่เห็นมีอดอยากอะไรอะ่ะ เครื่องใช้ไม่สอยอะไรก็สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เราก็มีจะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรภาวนาไปจะเริญนพระกรรมฐานไปอันปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นเพียงแต่พออาศัยให้มีกำลังเรียวแรงบาเพ็ญสมาธิวิปัสสนา เท่านั้นให้นึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปใจไปจดจ่ออยู่กบับบริคารเครื่องใช้เครื่องซ้อยอะไรแต่านั้นไปจดจ่อมันของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกับร่างกายนี่แหละเมื่อเรามองเห็นร่างกายไม่เที่ยงไม่ยังยืนแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มร่างกายนี่มันก็จะเที่ยงมาแต่ไหน ร่าโยาศธนเสด็จต่างก็เหมือนกันนะเมื่อร่างกายไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมดเลยเราพี่นาเห็นอยู่อย่างนี้นะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะตัณหาราคะมันจึงไม่ครอบรำจิตใจเรียว่าการบวชนี่ความมุ่งหมาย ก็เพื่อให้สิ้นไปซึ่งราคะนี่ให้เป็นวิราคะจุดปวงหมายที่สำคัญที่สุดเลยของนักบวชไปงั้นเพราะว่าเป็นนักบวชนี่ก่อนจะมาเป็นนักบวชเราก็เห็นโทษของราคะตัณหาเหล่านี้แล้วเห็นว่า การอยู่ครองเรือนมันก็เดียว่าเป็นบุคคลผู้เปลี่ยนไปด้วยราคะตัณหาแล้วการอยู่ครองเรือนมันเป็นทุกข์เราก็รู้กันอยู่ทุกคนก่อนที่จะมาบวชตัวเองก็เป็นทุกข์ในการในงานอะไรต่ออะไรพระพัฒ์ที่นี่บวชมาแล้วปัยังจิไปหวนนึกถึงความสุขบางสิงบงอย่างที่ได้พบใดผ่านมาอย่างนี้ แล้วอยากจะไปทดลองดูอะไรทํานองนั้นเอมันไม่ถูกหรอกจะไปทดลองอะไรก็ต้องเพ่งดูด้วยปัญญานี่ก็รู้ได้ไม่มีใครมีความสุขการคลองเรือนนะมีแต่ทุกข์ทางนั้นแหละทุกข์ก็ทุกข์ั่วคราวอืมประเดี๋ยวพระดาวเท่านั้นเองหน่อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นมา เมื่อมีเงินใช้ก็เป็นสุขไปบ้างถ้าเงินหมดแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละเขามีบ้านใหญ่โตมโหฬารอยู่กระต้นก็อยากมีก็เขาแต่ว่าเงินทองตนก็ไม่มีมากนี่พอที่จะไปซื้อบ้านหรือสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารอยู่ได้ก็ทาให้เป็นทุกข์กวนกบายเพราะความอยากนั่นแหละอยากมี อยากได้ไ อ, อ้โมนี้ลองพัฒ น, นาดูสิพระริเจ้าสารว่าสันหาเป็นเนตรได้เกิดทุกข์อ่ะมันเป็นความจริง 100% เอาจริงๆเลยไม่ว่าแต่1 0 0ยแลนอร์เซนตั่นแหละผู้ใดตกอยู่ใต้อำนาจของสันหายเนีมีแต่ทุกข์ทั้งเพงอความสุขมีก็มี เจืออยู่ด้วยทุกข์เราพิจารณาดูให้เห็นความสุขมีก็เจืออยู่ด้วยทุกข์ดังที่เรื่องราวของมนุษย์เราเป็นมาอยู่อย่างทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอนั่นนะคนมั่งมีสีสุขทั้งหลายมันเมื่อจิตใจไม่เป็นสินไม่เป็นธรรมมีความโลภครอบงาแล้วอย่างนี้ ก็ไปทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปติดทิ้นทำเอา้าเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้เขาเดินเรื่องเข้าไปนี่ก็เป็นทุกข์แล้ววะนีเ่เป็นทุกข์แล้วเงินทองที่ได้มาโดยทางทุัพย์ินพวกนั้นช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้เลยเมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมนะัน ไอ้ปุคคนผู้ที่ไม่เพียรพยายามลาดตันหาไม่เห็นโทษของตันหานี่มันย่อมได้ประสบทุกทั้งนั่นเลยทั้งนักบวชทั้งเครอหอขัดอันนั้นเราเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็สมควรที่จะที่จะได้เห็นโทษของตันหาเหล่านี้เพราะว่าเราสละตันหาส่วนย่ำย่ำนั้นออกมาบวชแล้ว บ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องอลูกลูกเมียเ ม, มอะไรเราก็ไม่มีอย่างนี้เราสละมาได้แล้วนะเพราะนั้นเมื่อสละมาได้แล้วก็สละจริงๆนะอย่าหวนกลับไปหามันอีกเพราะว่าไปหามันอีกก็เป็นทุกข์อีกอยู่ของเก่านั้นแหละองั้นเพราะนั้นถ้าผู้ที่ คิดได้อย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรในการบวชพุทธคมะจันก็ย่อมดำเนินไปได้สบายๆระงับตัณหาราคะตัวนี้ให้เบาบางลงไปถึงแม้ไม่ขาดก็ตามให้มันเบาลงแล้วก็อยู่สบายในการบวชพุทธคมะจันนี่เป็นอย่างนั้น ลองทำใจสงบลงดูสิเราเป็นนักบวชนะโมนี่หรือไม่ใชน่นักบวชก็ตามนะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วเป็นหนึ่งลงไปแล้วนี่ก็จะรู้ได้ว่าโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้นะความสุขมันอยู่ที่ใจสงบลงเป็นหนึ่งไม่เกาะไม่คล้องกับอะไรไม่ปรารถนาอยากได้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีความสุข ความสุขอย่างนี้หละเป็นความสุขอันสดใสมันเป็นความสุขที่เป็นหนทางไปสู่พระนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นอันพระนิพพานนั้นเป็นธรรมเครื่องสงบระ ง, งับอย่างยอดเยี่ยมไม่มีความสงบอื่นใดที่จะเสมอหรือเท่ากับพระนิพพานไม่มี แัะ น, น, นั้นจิตของท่านผู้บรรลุผลนิพพานแล้วจึงไม่มีทุกข์แม้จะยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่อนก็ไม่มีทุกข์ทางจิตใจเลยเพราะว่าไม่ได้ยึดถืออะไรต่ออะไรเป็นของตัวของตนดนะังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระเจ้านะ ก็ลองทำใจไปดูสอนนิอย่าไปอ้างโน่อนอ้างนี้อะไรเลยเป็นนักบวชก็ทีเป็นนักบวเนี่ยิย่งทำใจได้ทำใจให้สงบได้เร็วกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าผู้คลองเรือนต้องได้ลบกับความอยากนานานะประการยากมีปัจจัยเครื่องอาศัย เลี้ยงครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่ามันมีภาระมีเครื่องผูกพันดังนั้นยากที่จะทำใจสงบระ ง, งับลงได้อันนักบวชนี่มันตัวคนเดียวไม่ได้ไม่ได้รับผิดชอบในคนอื่นอะไรเลยอย่างนี้ลองคิดดูสิเพราะฉะนั้นเมื่อทำตัวคนผู้เดียวได้แล้ว แล้วก็ทำใจให้มันเป็นใจเดียววันนี้อันกายนี่ก็กายเดียวแล้ววันนี้ไม่มีคู่วันนี้ก็ยังได้ใจนี่นนะทำใจให้มันเป็นใจเดียวลงไปใจหนึ่งลงไปที่นี้แนละ้วมันก็มองเห็นความสุขที่แท้จริงได้เลยแต่มันก็ยังไม่จริงแท้หรอกแต่ว่าอันลักษณะอาการในความสุขความสุขอัน แท้จริงเนี่ยมันก็คือความสงบนั่นแหละแต่มันสงบตลอดไปเลยไอ้ความสุขเกิดจากความสงบใจอันนี้มันก็มีความถุกชั่วระยะที่จิตใจสงบอยู่นี้เองท่านไปไปแล้วจิตถอนออกมาแล้วก็เอาละมาสัมผัสกับความทุกข์ตามเดิมอีกอเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเราต้องฝึกกันไปถ้าไม่ฝึกเข้าไปอย่างนี้จะไหนนะมันจะใกล้พระนิพพานได้แค่ไหนมันจะได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารนะมันก็ได้พบแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองอเป็นองนั้นถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนไ ม, ม่พยายาม ให้เข้มแข็งเข้าไปอย่างนี้นะมันก็นานพ้นทุกข์มาเข้ามาอย่างนั้นเกิดไปชาติได้ก็จะไปพบกับความทุกข์มีความสุขก็เตืออยู่ด้วยทุกข์อย่างนี้ล่ำไปอืมแล้วเมื่อความเพียรย่อหย่อนในปัจจุบันนี้แล้วที่เล็ดมันก็ไม่เบาบางอย่างนี้นะแม้จะเป็นนักปวดอยู่ก็าตาม ในเมื่อไม่ภาคเพียรพยายามไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนนะกิเลสมันก็ไม่เบาบางไปโคบะทังบะทังไปเท่านั้นเองเ น, นีอย่างนี้แล้วมันก็เสียเวลาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีศรัทธามาบวชในพุทธศาสนานี้ บุญกุศลส่งให้มาประกอบความเพียรมาฝึกตนมาทร ม, มานตนให้สงบประงับลงไปไม่ยอมตกเป็นทาสของสันหานี่บุญส่งเรามาเพื่ออย่างนี้นะจึงได้มาบวชนี้ให้พากันสำนึกให้ได้ไม่ใช่บุญกุศลส่งให้มาบวชเพื่อแสวงหาสมบัติภายนอกอะไร ไม่มีในพุทธศาสนานแต่ครั้งพระเจ้านรานำมาแต่ว่านานมานานมาแล้วผู้บวชเข้ามาในพุทศาสนานี่ขี้เกียจทำความเพียรขี้เกียจเจริญพระกรรมฐานขี่เล็ดตัณหามันก็ไม่อ่อนลงไม่เบาบางลงแต่ว่าหากมีอุปนิสัยของการบวชไม่อยู่นักบวชเช่นนั้นนก็ไม่ได้สะสมแล้ว สะสมเงินทองเข้าของไทยทานที่ชาวบ้านบริจาคมาก็เก็บไว้ในห้องเต็มห้องเต็มหับจะให้คนอื่นกระเสียใดายการบวชเมื่อหากไปมุ่งหวังสะสมอัิเรกลาภอย่างนั้นแล้วผมว่าจันย่อมไม่เจริญนะย่อมเศ่าหมองอม การประพฤติพมจรรย์ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยผิดเป้าหมายของพระพุทธเจ้าลองเพ่งพจารณาทบทวนดูเรื่องราวของบริเจา้าดูสิพระองค์เป็นพรรมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมีบริษัทบริวารห้อมล้อมไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลย เมื่อบุญบา ร, รมีที่พระ อ, องค์ทำมาแต่ก่อนมาถึงเขาแล้วบรรดาให้พระ อ, องค์เบื่อหน่ายในราชสมบัติทั้งหมดนั่นเลยพระ อ, องค์เสด็จออกว่าก็มีแต่เครื่องทรงของกษัตริย์กับม้ากันธกากรรนายฉันนะเท่านั้นเองพระ อ, องค์ไม่ได้เอาสมบัติอะไรติดตัวไปเลยมีแต่เครื่องทรงของกษัตริย์กับดาบเล่มหนึ่งเท่านั้นแหละ พอไปถึงที่หมายฟัง่งทรายเกาะทรายกลางน้ำในรัญชลาแล้วพระองค์ก็เอาดาบนั้นออกมาตัดพระเกษามวยพระเกษาเอาไปอธิษฐานการบวชเป็นบนรรพชิตในขณะนั้นก็เท้ากติขติการะมหาผม ซึ่งเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่ศาสนาพระพุทธเจ้ากระส ป, ปะนูน่นแต่ผู้นั้นได้บรรลุอนาคามีส่วนพระพุทธเจ้าในเนญพาโภติสัตว์ไม่ได้บรรลุมาขผนอะไรเมื่อเพื่อนหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในภพมโลกมานี้ถึงเวลาพระโพธิสัต์จุดติลงมาเกิดตเตล็ดออกหัทั้างกระละปียานาก็รู้ รู้แล้วจึงได้นำบริขารแปดมาถวายพระองค์พระองค์ก็พัดเปลี่ยนเอาเครื่องทรงออกไปเอาผ้าไกลจีวรของวันประิตเข้ามานุ่งหม่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วนเครื่องทรงอันนั้นให้เป็นห่อซะแล้วก็อธิษฐาน ือถ้าว่าข้าพเจ้าออกบวชในครั้งนี้แล้วจะได้ตัดสรู้เป็นพระผู้ให้เจ้าก็ในโลกแล้วขอให้เครื่องทงอันนี้อย่าได้ตกลงมาจากอากาศให้เลื่อนลอยอยู่บนอากาศนั้นอธิษฐานเสร็จก็โยนขึ้นไปพร้อมทั้งพระเกศาด้วย เ, เครื่องทงเหล่านั้นพระเกศานั้นก็ลอยอยู่บนอากาศ พญาอินาทาธิราชทราบเข้าก็ลงมาอันเชิญพระเกศาธาตุกับเครื่องทรงเห่านั้นขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดิ่งพญาอินก็พร้อมกับเทวดาทั้งหลายเทวบุตรทั้งหลายได้สร้างพระเจดียขึ้นนั่นแหละให้นามว่า พระเกตแก้วจุลมะนีเจดีหมายความว่าเจดีอันเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระองค์พร้อมทั้งเครื่องทรงของกษัตริย์เทวบุตรเทวดาหกท่านฟ้าก็ได้พากันมากราบมาไหว้ในวันแปดค่ำสิบห้าค่ำนี่ ดูทบทวนดูประวัติความเป็นมาของพระเจ้าพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอาจวบริขารพอเลี้ยงชีวิตพอดำรงชีวิตอยู่ไปได้เท่านั้นเองฮเช่นผ้าหนุ่งผ้าหม่มอย่างนี้นะก็มีพอพอนุ่งห่มปิดบังอายพอกันล ะ, ะกันหนาวกันร้อนกันฝนเท่านั้นเอง พานุงว่าห่มกนนี้ไม่ฟุ่มเฟืออยอาหารการกบฉันพระ อ, องค์ก็เที่ยววิ่งบาทได้อย่างไรมาก็ฉันอย่างนั้นก็ฉันวันละมื้อเท่านั้นเองนี่เนี่ยต่อจากนั้นพระ อ, องค์ก็เที่ยวแสวงหาอยู่ที่ในสงบสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เพื่อปึุกจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาขึ้นจะได้จัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณแต่ว่าพระองค์ก็มีกรรมมีเวณอันหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสแก่พุทธบริษัทว่าเหตุที่พระองค์ได้ภาพเพียนพยายามหาทางจัดสรุไม่ได้ตัดสรุง่ายนั้น แต่ชาติก่อนนน้นพระองค์เป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ห้าร้อยแล้ววันหนึ่งแล้วพาลูกศิษย์ไปเที่ยวในป่าก็ไปพบพระฤาษีองค์หนึ่งเข้าท่านบินระบาทแล้วกลับจากบินรบาทมาไปขอดูบาท่านในบาทมีแต่อาหารอันตรนนีบันจงหลายอย่างบัดนี้ อ า, อ, า อ, าอาจารย์ทิศสาฟ้าโมกขโพสิสันตะตัมนีพระฤาษีนั้นว่าไอ้พระฤาษีนี่ได้แต่อาหารอันประนีบัรจงจากกฤะหะบอดีเข้าไปฉันฉันแล้วก็จะมีแต่หลับแต่นอนไม่ได้ทำความเพียรอะไรไม่ได้สั่งสมบูลกุศลอะไรมัวแต่หลับแต่นอนมัวแต่เกียดค้าน แล้วคงจะไปตำหนิตีเตียนพระฤาษีที่ท่านมีความเพียรที่ท่านในบัรรุสมาบาดแปดแล้วนะนะวันนี้ไปตำหนีตีเตียนท่านมันไม่ถูกท่านสิวันนี้ท่านไม่ได้เกียกล้านท่านทำความเพียรอยู่บาห์นนั้นจึงได้ติดสอยห้อยตามน่ว่าตามตำลาเมื่อพระองค์ อ, ออกบวชแล้ว บาปทำอันนั้นแหละมาปิดวังปัญญาไม่ให้มองเห็นทางจัสรุสัมมาสัมโพธิญาณเลย อ, อันนี้จนว่าพราะองค์ทรมานพระองค์ไปถึงหกปีปีที่หกนี้กรรมเวรอันนั้นจึงค่อยหมดลงจึงได้พบผลทางจัสรุคือทางสายกลางไม่คข่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไป ท่านเรียกว่ามัททิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์รู้โอการทำอะไรนี่ทำให้อยู่ในสายกลางการขบการฉันกฎจะฉันพอประมาณไม่ใช่ไปอดอาหารอย่างที่เราทำในจุบันนี้ก็จะตายเสียก่อนจะไม่ได้บรรลุอะไร แล้วพูดถึงการเดินการยืนนั่งนอนก็ให้พอประมาณให้เปลี่ยนในยีบทให้สเสมอแล้วผลสุดท้ายให้ทําจิตใจให้เป็นกลางวางกายให้เป็นหนึ่งไม่ให้ความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกอะไรเข้ามาครอบความจิตใจพระองค์รู้อย่างนี้แนละ้วจึงเริ่มบินทบานมาฉันเมื่อบํารุงร่างกาย ให้มีกำลังตามปกติได้แล้วเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นตอนกลางวันก็รับตอนเช้ารับข้าวรับข้าวามาประญาติจากนางสุชาดาใส่ถาดทองคำมาถวายเต็มถาดหนึ่งเพราะองค์รับแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ำเนรัญชราทงน้ำแล้วก็มาแบ่งข้าว พระทุพยานั้นออกเป็นสี่สิบเก้าก้อนทรงกั น, นั่งฉันอยู่ริมแม่น้ำนั่นเองนพระองค์ฉันเข้าพระทุพปปยาตอันนั้นหมดทั้งสี่สิบเก้าก้อน น, นนั่นแล้วก็วอธิษฐานลอยถาทองคำลงสู่แม่น้ำเนรัญชรานั้นว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรตวสัมมาสัมโพธิญาณ ในค่ำคืนวันนี้ขอให้ถาดทองคำ ม, มันจงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องบนท่านอธิษฐานเสร็จแล้ววางถาดลงใส่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวอยู่นั้นถาดทองคำนัมม้นก็ทวนกระแสน้ำขึ้นไปเหนือน้ำขึ้นไปพอสมควรแล้วก็จมลงไปสู่ ที่พบของพญานาคอืมพญานาคตนหนึ่งเรียกพญาการะนาคได้เก็บถาทองคานั้นไว้พญาการะนาคนั่นฟังว่าเมื่อเก็บถาดถาดทองคำพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไว้แล้วก็นอนนอนอยู่งั้นแหละจนมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมา ตัดสรู้ได้อธิษฐานผาดทองคาผาดทองคาไปนั้นจมน้ำลงไปไปกระทบกับผาดเดิมนั้นเสียงดังฮิ้งแจ้งแลวคะระบจึงค่อยตื่นอฮางค่อยตื่นพอตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้มาลำพึงนะวันวานนี้ก็ตัดสรู้แล้วองเหนือแล้ววันนี้ก็มาตัดสรู้อีกวนว่ แต่แท้ที่จริงแล้วมันตั้งนานแสนนานนะในระหว่างพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์หนึ่งต่อพระ อ, องค์หนึ่งแต่พญาการนากรนั่นก็มีกรรมมีเวรอันหนึ่งทั้งกล่าวไว้มีกรรมมีเวรอันหนึ่งคือว่าตั้งแต่ชาติก่อนหุนหลังแล้ว น, นะได้บวชในพุทธศาสนาของพระเจ้าพระ อ, องค์ใดพระ อ, องค์หนึ่งได้เป็นสามเณร ปฏิบัติพระอรหันห้าร้อยลูกอ่านี้ไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็ปฏิบัติพระทั้งห้าร้อยูกนะมันก็เอาอยู่งั้นนอะอก็รบนแบบนี้นะนขึ้นมาในใจโอ๊ยเรานี่มันก็ลาทุกข์ยากลำบากจริงๆไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะปฏิบัติพระนี่แหละราั้นนะอ่า ทำจะไหนหนอเราจึงจะได้หลับได้นอนอย่างงี้พอรำพึงในใจอย่างนี้มันก็ยังเป็นกรรมนะคิดดูนะพอตายลงไปแล้วค่อยเกิดเป็นพยาการะนาะศอยู่ในพิพกพของนาศเท่ า, านะั้นไปเกิดแล้วก็มีแต่นอนลูกเดียวแบบนี้นะอะไรจนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตัดสะลุในโลก เสียงถาดทองคําตกจมลงไปเสียงกระทบดังแล้วก็ตื่นขึ้นมา อ, อย่างนี้หนว่าพยากรณ์นางี้จะต้องนอนไปจนพระศรีอริยเมตตาตายมาตัดสรู้เสียงถาดทองคําแล้วเจ็บถาดทองคําพระศรีอริยะเมตตาตายไปแล้วก็ ก็จะพ้นจากกรรมจากเวรนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปบ่นนะการทำความดีนะการปฏิบัติอุปถากรส่งองค์พระเจ้าผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นสามเนนหากว่าพระเรียกใช้เรียกสอยบางสิ่งบางอย่าง อย่างนี้อันสิ่งที่เพื่อนทำไม่ได้มันขัดต่อวินยัยเช่นขุดดินฟันไม้ตายญ้าอะไรต่งตางๆอนี้นะถึงขอร้องอันนี้ก็ยินดีทำถวายอย่าไปขัดพื้นอย่าไปนึกว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของเราเราไม่เอาแล้วเราไม่รับใช้หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็ ก็เชื่อว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแต่เราก็อยู่ในหมู่ในคณะอย่างนี้มันไม่มันมันขัดกันอ่ะอืามันขัดกันเมื่อเราอยู่ในหมู่ในคณะเราต้องทําอะไรต้องเผื่อหมู่เผื่อคณะเผื่อส่วนรวมต้องให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ใดก็คิดอย่างนี้เหมือนกันอยู่ในหมู่ในคณะ ต่างคนก็ต่างคิดเราทำอะไรเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อตัวเองด้วยอย่างนี้นะถ้าต่างคนต่างคิดอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรเลยความเป็นอยู่ของเรานะ้ไม่ขัดข้องอะไรเพราะว่าต่างคนต่างคิดมีความพอใจในอันกระท อ, อจิตวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อประโยชน์ ตอนและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้แล้วต่าคนณ่างทำแล้วจิตวัดในวัดปราอารามเหล่านี้มันต้มยบกพ่องมันก็เจริญก้าวหน้าไปอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเสนาสนะวัดวัดที่เราจะต้องปฏิบัติต่ตอสถานที่อยู่ที่อาศัย เช่นศาลากา ร, รเรียนอย่างนี้นะเอเราก็พร้อมกันทำความสะอาดทุกวันทุกวันไปไม่ให้ ส, สกปรกรุกลงลังเว็ดจากกุดีวัดวัดเกี่ยวกับห้องน้ําห้องส้วมใครเข้าไปในห้องน้ําเห็นมันสกปรกอะไรก็ทำความสะอาดเข้าไปอย่าไปตำหนิติโทษกันว่าใครหนมาทําไม่ดีไว้ในนี้เราไม่ทําแล้ว ผู้ใดทํากับผู้นั้น่ะชําระเองอย่าไปคิดอย่างนั้นอืมเราทํำเราก็ได้บุญผู้ใดทําสกปรกใสสถานที่อยู่ที่อาศัยที่บริโภคใกล้สอยผู้นั้นก็เป็นโทษเป็นโทษของผู้นั้นเองอผู้ใดทําความสะอาดก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้น เดี๋ยวเราทําเพื่อเอาบุญอาุโสไม่ทําเพื่ออะไรคอให้คิดอย่างนี้การทํากิจวัตรต่างๆในวัดกว่าอารามนี่นะอืมถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เพ่งโทษกันเมื่อเพ่งโทษกันแล้วก็โยนให้ผู้อื่นทําตัวเองก็ไม่ทำคนหนึ่งไปเห็นเขาก็โยนให้ผู้อื่นทําต่อไป อย่างนี้มันไม่ถูกเลยให้เข้าใจนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เบียดบุญนะไม่ชอบบุญหละแบบนั้นนะ่ะเมื่อไม่ชอบบุญแล้วเราจะบวชเข้ามาทำไมอนะ่เะเขาบวชเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรอย่างที่ชี้แจงใหฟังแล้วไม่ได้อะไรนะอันท่านจะได้นะก็ได้บุญนหะถ้าเราทมความดีเข้าไป เราไม่เกียจค้านในการทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้มันก็ได้บุญทุกวันทุกวันไปเลยเรียกว่าเราบวชมาเพื่อสั่งสมบุญแท้ๆผู้ที่เข้ามาปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนกันก็เรียกว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดแล้วมันได้โอกาสสำรวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษได้ เมื่อเราสำรักกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาศจากโทษแล้วทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเลยเพราะเราพูดอยู่ในกรอบแห่งศีลเราทำการงานอะไรก็อยู่ในกรอบแห่งศีลอย่างนี้นะมันก็จะไม่เป็นบุญยังไงเล่าเพราะการกระทำนั้นมันเป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่ส่วนรวมด้วยอย่างนี้นะมันจะไม่เป็นบุญกุศลยังไงเล่าอ่า ก็ขอให้พากันคิดอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วมันก็พอใจทำเต็มที่เลยอย่างแม่ชีก็ดีในที่นี้ก็จึงว่าขอสนรเสรินเยือนยอไว้ว่าแม่ชีนั่นนว่าเป็นกำลังใหญ่ส่วนหนึ่งของวัดข้อวัดถ้าอยู่ไกลบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันหมู่มากด้วย ถ้าหากว่าไม่มีผู้ทาครัวทำอาหารเลี้ยงกันแล้วก็มันก็ลำบากเลยนะอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากชุมนุมชนอย่างนี้อันนี้เราอยู่กันมาได้หลายปีดีดักนี่นก็เพราะอาศัยเมชีเป็นผู้ข้นคอ้ในการหุงต้มทำอาหาร แปลว่าก็ขอเตือนว่าให้ทำโดยสามัคคีกันเพราะว่างานอันนี้ก็าการทำอาหารไม่ใช่ของง่ายๆมันต้องเหนื่อยพอได้เหมือนกันนะผู้ทำถ้าสุขภาพไม่ดีบาเดีเยวก็เป็นลมเลย อ, ะอ่ะดังนั้นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่เนี่ยต้องช่วยกันเข้าไป ให้นึกว่าเราเราสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้อแล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วยกัสร้างบุญกุศลเลี้ยงพวกอื่นด้วยอืมถ้าหากว่าไม่ทีเราไปคิดอย่างนี้แล้วความเหนื่อยเมื่อยล้วในการปรุงอาหารต่างๆวันนั้นมันก็ไม่หายมันก็ไม่มีมันก็หายไปปิติความอิ่มใจในบุญกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนอ่าเป็นอย่างนั้น ก็อย่ยังว่านั่นแหละทอยที่ทอยอาศัยกันอา้าวแมชีนั้นไอระเบียบของจัดตนาเนะี่ยท่านห้ามไม่ให้บิดเที่ยวบินทบาทเหมือนพระแต่ในครั้งบุติเจ้านั้นผู้หญิงเหล่านั้นท่านได้บวชเป็นนาพิสุนีบวชถูกต้องตามตามธรรมตามวิมนัยจริงๆ อันนั้นเที่ยวบินทบาทได้เป็นองนั้นแต่ตกมาในเมื่อหมดยุคนาวิโตนีแล้ววันนี้มีผู้ศรัทธาอยากหวกก็าามานุ่งขาวห่มขาวโกนผมกันอย่างนี้แต่บางแห่งเพื่อนก็บินทบาทไม่ชีนี่นะแต่ส่วนมากไม่ไม่ได้บินทบาทเป็นอย่งั้นไม่นิยมบินทบาท กันเมื่อไม่นิยมมินทบาทก็ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละก็ด้เมื่อมีเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีข้อวัสษฏิบัติเรีงามเมื่อผู้คล้องเรือนทั้งหลายมาเห็นเข้าเขาก็มีศรัทธาเลื่อมใสบริจาคเกินทองไว้ทำครัวกัน เท่าที่หัวหน้าเมธีเป็นชี้แจงให้ฟังนะก็มีผู้บริจาคสมทบลงครัวกันบ่อยๆอยู่อย่างนี้แหละเรากดดำรงชีวิตอยู่ไปได้จากจากชาวบ้านนั่นเองพระสงฆ์สามเณรก็ได้อาศัยทั้งชาวบ้านทางอาศัยเมธีเป็นอยู่ด้วยการปรุงอาหาร เลี้ยงกันอืมายความว่าถอยถ้อยอาศัยกันพระเนนก็บินทบาทมาเอาเหลือจากพระเนนก็แม่ชีเข้าไปอีกทะเยกันไปนี่ก็ท้อยถ้อยอาศัยกันอย่างนี้นะเมื่อเราทําอะไรโดยสุจริตใจอยู่ในกรอบแห่งสิ่งแห่งธรรมแห่งวินะัยได้บุญด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยได้บุญแน่นอนเลยอนะ่ เพราะฉะนั้นคอยพากันเข้าใจว่าการที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้ซึงเชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลได้ฝึกท้อนอบรมตนละกิเลสตัาหายน้อยเบาบางออกจา ก, กจิตใจนี่เป็นจุดสำคัญนะอของการบวช เรามีโอกาสได้ทำความเพียรเต็มที่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นหาโอกาสได้ยากเออดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทนะพากันรีบเร่งกระทำความเพียรเข้าไวจะเริญกายคัตาสติกรรมาฐานเข้าไปเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะจิตอันนี้มันย่อมกำหนัดยินดีอยู่ในรูปในกายอันนี้นะก่อนนะก่อนที่มันจะกำหนัดยินดีไปในรูปกายภายนอกนั้นมันต้องกำหนัดยินดีในรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่นหะก่อนอดังนั้นเราต้องทําความเพียรทําใจให้สงบระงับแล้วก็เพ่งกายนี่เป็นอารมณ์เพราะเมื่อใจสงบแล้วนี่ ใจมันห่องใสพอเรานึกถึงร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งภาพแห่งร่างกายนั้นจะมาปรากฏในมโนทวารร่างกายนี่มันเป็นยังไงความจริงของมันเป็นงไงมันก็ปรากฏให้จิตได้เห็นเนี่ยพอเมื่อจิตสงบลงไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่สงบแล้วไม่เห็นนะ่ะมันมีกี่เลยพอบกรรม ทำให้จิตเต้ามองขุนมัวเหมือนเหมือนอย่างดวงต า, างี้นะถ้ามีฝ้าบังตาอยู่นี่มองอะไรก็เห็นพอหลัวๆนี่แหละเป็นหมัวมัวไปไม่ชัดเจนเลยถ้าเมื่อไปลอกฝ้านั้นออกจากตานั้นเสร็จแล้วตานั้นบริสุทธิ์แล้วมันก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนใดเป็นที่ไรจิตใจอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ เราพยายามลอกฝ้าของจิตใจนี้ออกได้แก่กิเลสต่างๆเป็นความรักความชางังเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นพยายามเพ่งละมันให้มันระ ง, งับดับไปเมื่อกิเลสเหล่านั้นระงับไปแล้วจิตใจผ่องใสเมื่อก็มองเห็นอะไรต่ออะไรในร่างกายนี้ได้ชัดเจนเลยไม่สงสัยลังเลเลย ร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้ก็รู้ชัดเลยทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่สวยไม่งามด้วยอันที่เรามองกันได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมันมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองถ้าลอกหนังนี้ออกแล้วสิ่งโสโศกข้างหลายมันก็ย่อมปรากฏออกมาได้เห็นได้ด้วยตาหนังเลยบริยงองอย่างนี้แหละ พี่มันพอดูก็ไอ้เพะมันมีหนังหุ่มห่ออยู่เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพิจารณากันให้มันถึงความจริงเหล่านี้ให้มันได้แล้วเมื่อพี่น่าไ บ, บ่อยเห็น บ, บ่อยๆเข้าเนี่ยจิตใจมันก็คลายความกำหนัดยินดีพอใจอะไรลงไปเรื่อยๆอในที่สูงก็มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยรูปร่างกายอันนี้ เป็นสภาวา ธ, าาาธรรมเมื่อโมเหตุปัจจัยมันแล้วมันก็แตกหลับทํำลายลงมันก็มีเท่านั้นความจริงของร่างกายนี่ก็เอาจิตที่ฝึกให้สงบให้ตั้งมั่นนี่แหละแทงพีนาร่างกายี่เสมอเสมออย่าไปเข้าใจว่าเห็นครั้งหนึ่งแล้วเลี่ไปเลยไม่ใช่นะมันเห็นแล้วมันก็ยัง อย่างละอุปทานเด็ดขาดไม่ได้เพียงจะได้ความเบื่อหน่ายหรืออะไรชั่วคราวเท่านั้นเองดังนั้นเราคิดต้องเพ่งพิจารณาบ่อยๆเข้าไปให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วกมันเบื่อแล้วเบื่ออีกเบื่อไปเท่าไหร่ยิ่งคลายความยึดถือออกไปเท่านั้นคลายความยึดดีรไายออกไปเท่านั้นเนี่เรียกว่าผลแห่งวิปัสสนา ถ้าหากว่าคิตใจไม่เป็นอย่างว่านี่ผู้นั้นยังเจริญนิพสานาไม่เป็นนะเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าเหตุของวิพพานาคือการปรัรบถึงร่างกายสังขารเป็นอารมณ์ทั้งที่ส่วนที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่มีรูปร่างอะไรเลยอย่างนี้ก็พิจารณาให้มันรู้ลักษณะอาการแห่งนามธรรมา ท, ทั้งสี่นี้ให้ได้เมื่อเมื่อรู้ลักษณะอาการมันแล้วก็รู้ความจริงเข้าไปอีกว่าไม่มีอะไรยั่งยืนนามธรรมาสี่นี้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ยนั้นมันนักเกิดมันนักดับอยู่นั้นแต่จิตที่หลงแล้วมันสำคัญว่ามันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ดับ สำคัญว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนปิดปลายยึดถือเอาไว้อย่างเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะอก็ยินดีในสุขความสุขอันนั้นไปโดยไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารว่าความสุขเหล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ได้หวนคำหนึ่งเลยก็พอใจอยู่ในความสุขอันนั้นอย่างนี้นะถ้าพูดเทระนิัพานาแล้ว หากว่าสุขเวทนาบางเกิดก้อย่างนั้นมันก็จะมีอุบายสอนใจไอุ้ขเวทนานี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวไปๆไปแล้วมันดับได้ไม่ใช่มันไม่ดับเราต้องรู้เท่าถ้าปัญญามสอนจิตเข้าไปในจิตก็ไม่ยินดีพอใจกับสุขเวทนานั้นก็ทำความรู้เท่าทำจิตให้เป็นกลางอยู่งั้นนะถ้าเกิดสุขเวทนาขึ้น ก็ทําความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นเหมือนกันแหละกับสุขเวทนาทุกขเวทนาเนะี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วงขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปอ่าเป็นอย่างนี้สัญญาสังสารวิญญาณก็เหมือนกันเลยเราต้องเพ่งเราต้องพิจาร์บ่อยบ่อยเข้าไปเลยอ่าเมื่อพิจารณามากเข้าไปอะไรมันก็ยิ่งรู้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นขอให้เข้าใจ ถ้าเราไม่มันพิจารณาแล้วมันไม่รู้ยิ่งนะเมื่อมันรู้ยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่มันก็คลายความยึดความถือคลายความพอใจต่าง ๆ, ๆนาน า, นานในขันธ์หงห้านี่ไปเรื่อยๆเรื่องนั้นหละในที่สุดมันก็คิดก็อย่างลงสู่อุเบกขาญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นว่าขันธ์หงห้านี่ไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขา เมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้จิตก็เป็นอุเบกขาวางเฉยลงได้วางเฉยลงพร้อมด้วยความรู้ความเห็นนะไม่ใช่วางเฉ ย, เยอยู่ธรรมดาอย่างนี้แหละท่านว่าเป็นผลของวิปัสสนาการได้จิตเป็นกลางเห็นเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ญาณแล้วความรู้สึกอันนี้เป็นกลางอยู่ได้นะ นี้เป็นผลของวิปัสนาขอให้พากันเข้าใจความหมายดังกล่าวมานี้เท่าที่แสดงมานี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้